ม้วนที่สิบสี่ ถูกแล้วหนูแต่กรรมเก่าก็พอจะแก้ไขได้บ้างด้วยการปฏิบัติกรรมฐานถึงแก้ไม่ได้หมดก็ช่วยให้ทุเลาลงตัวอย่างเช่นคนคนหนึ่งเคยไปฆ่าเขาไว้มาชาตินี้จะต้องถูกเขาฆ่าถ้าคนคนนั้นมาเข้ากรรมฐานแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้คนที่ตัวเคยฆ่าบางทีเขาก็อาจจะอโหสิกรรมให้แต่ถ้าเขาไม่อาโหสิกรรม ตอนเข้ามาค่าก็จะได้ทำใจได้ว่านี่เป็นเพราะเราเคยไปฆ่าเขาไว้เขามาทวงคืนก็ต้องให้เขาไปเมื่อคิดได้ดังนี้จิตก็จะไม่ผูกพยาบาทไม่จองเวรจองกรรมกันต่อไปอีกนี่คือประโยชน์ของการมาเข้ากรรมฐานส่วนคนที่ไม่เคยปฏิบัติก็ไม่รู้ว่านั่นคือกรรมเก่าเวลาจะตายก็ตายแบบมีจิตอาฆาตพยาบาท เมื่อจิตเป็นอกุศลตัวเองก็ต้องไปตกนรกเมื่อพ้นจากนรกก็จะไปตามต่อเวีนต่อกรรมให้มันยืดเยื้อต่อไปอีกก็เลยต้องเวียน่ายใช้เวนใช้กรรมกันต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิน้นที่หลวงพ่อพูดว่ากรรมฐานแก้กรรมมีความหมายอย่างที่อธิบายมาแล้วนี่แหละท่านเจ้าของกุฏิอธิบายชัดเจนน่าเสียดายนะคะ กรรมฐานมีประโยชน์มากมายถึงเพียงนี้แต่คนส่วนใหญ่มักจะมองไม่เห็นหาว่ามันนั่งหลับหูหลับตาหาประโยชน์ไม่ได้สู้ไปธรมาหาเกินดีกว่าคนส่วนใหญ่เขาคิดอย่างนี้กันนะคะหลวงพ่อหญิงสาวพูดตามข้อเท็จจริงที่เคยประสบมันก็เป็นกรรมของเขาแหละหนูของอย่างนี้บางคนเราก็ไม่สามารถชักจูงเขาได้อย่างบางคนอุตสา มหาหลวงพ่อแต่พอแนะนําเขาก็รับไม่ได้เพราะกรรมเขามากและจะต้องเป็นไปตามนั้นเรื่องของกรรมมันซับซ้อนและก็ลึกซึ้งเกินวิสัยที่คนอย่างเราจะมาวิเคราะห์วิจัยแล้วมีไหมคะหลวงพ่อมีใครสักคนไหมคะที่จะเข้าใจเรื่องกรรมได้อย่างละเอียดลึกซึ้งหล่อนถามมีเสือนู พระพุทธเจ้าของเรายัางไรละ่ะแต่พระองค์ก็ดับขันทปรินิพานไปนานแล้วคงเหลือแต่พระธรรมคําสอนไว้ให้พวกเราประพฤติปฏิบัติกันแต่บางคนไม่เชื่อนะคะหลวงพ่อนอกจากไม่เชื่อพระธรรมคําสอนแล้วยังไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหาว่าเป็นเรื่องงมงายคนประเภทนี้มีมากนะคะหลวงพ่อหนูเคยพบมาแล้วถ้าเขาไม่เชื่อก็เอวัง หลวงพ่อคงจะพูดอะไรไม่ได้มากนอกจากจะพูดว่าเอวังก็มีด้วยประการชนิ้มันเป็นกรรมของเขาเราไม่ต้องไปโต้เถียงเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อันใดคนที่ตาบอดมาตั้งแต่กาเนิดเขาไม่เชื่อหรอกว่าแสงสว่างมีอยู่ชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะฉะนั้นหนูอย่าไปโต้เถียงกับเขาให้เสียเวลาต้องปล่อยเขาไปตามกรรมของเขาท่านพระครูแนะนาหล่อน ให้วางอูเบกขานายขุนทองเข้ามาอยู่ในวัดป่ามะม่วงแล้วก็ได้ช่วยงานท่านพระครูอย่างแข็งขันตั้งแต่การดูแลรักษาความสะอาดกุฏิ ไปจนถึงการต้อนรับขับจู่บรรดาแขกเหลือที่มาหาท่านเจ้าอาวาส ด, ด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆกันท่านยันจัดตารางวันเวลาในการรับแขกติดไว้ที่หน้ากุฏิเพื่อท่านพระครูจะได้มีเวลาพักผ่อนและก็ทำธุระส่วนตัวของท่านคือการเขียนหนังสือคู่มือการสอบอารมณ์กรรมฐานให้แล้วเสร็จท่านพระครู ให้ในายสมชายขึ้นไปอยู่ชั้นบนของกุฏิซึ่งมีห้องเล็กๆว่างอยู่แล้วก็ให้ในายขุนทองอยู่ห้องชั้นล่างแทนลูกศิษย์หนุ่มยินดีปรีดาสินักที่ได้ควรมาช่วยแบ่งเบาภาระแม้จะรู้สึกขัดลูกหูลูกตากับจริตจกรานของฝ่ายนั้นก็ยังดีกว่ารับภาระหนักอยู่แต่ผู้เดียวอุปนิสัยอย่างหนึ่งของนายขุนทองก็คือเป็นคนรักสัตว์ตอนอยู่กับพ่อแม่ที่บ้าน กิจวัตรประจําวันของเขาก็คือเลี้ยงดูให้อาหารแก่หมูหมากาไก่เวลาแต่ละวันจึงหมดไปกับการวุ่นวายอยู่กับสัตว์กล่าวนั้นเมื่อมาอยู่วัดป่ามะม่วงในขุนทองก็ไม่ได้มามือเปล่าหากหอบยิ้วลูกสนัทที่หย่านมแม่แล้วมาด้วยถึงสามตัวคือเจ้าหมีเจ้าโหมและเจ้าขาวลูกสนัทสามตัวนี้เกิดจากแม่เดียวกันและวันเดียวกัน แต่เจ้าหมีก็ดูตัวใหญ่กว่าเพื่อ น, นขนก็มันสีดำสนิทและรูปร่างหน้าตาน่าจะเป็นหมีมากกว่าเป็นหมาเพราะเหมือนหมีมากกว่าเจ้าโฮมกับเจ้าขาวตัวเล็กกว่าเจ้าหมีเกือบครึ่งทั้งหน้าตาของมันก็บ่งบอกว่าเป็นมานหน่อยมันหน่อยธรรมดาเจ้าโฮมนั้นมีสีน้ำตาล ขณะที่เจ้าขาวสีเดียวกับชื่อนคุณทองรักลูกสุนัขสามตัวนี้มากถึงขนาดแบ่งชั้นวั น, นาให้เสร็จสับเพื่อจะได้ไม่ปะปนกับพวกหมาวัดแต่ถึงจะเป็นหมาที่มีปลอกคอหากเจ้าสามพี่น้องก็มิได้เย่อหยิ่งจองหองจึงไม่เป็นที่ขมเนเข็นเขี้ยวของหมาวัดตัวอื่นๆนายคุณทองอนุญาตให้เจ้าหมีเจ้าโหมและเจ้าขาว ข้ามานอนในกุฏิชั้นล่างซึ่งท่านพระครูไม่ได้ว่าอะไรเพราะท่านเองก็รู้สึกถูกชะตากับเจ้าหมีเป็นพิเศษถึงกับต้องตรวจสอบด้วยเห็นหนอและก็รู้ว่าในอดีตมันเคยเป็นทหารคู่ใจของท่านน่าเสียดายที่ต้องมาอุบัติในกําเนิดเดรจ า, านซึ่งเป็นทุกคติภูมิ ลาวสัตว์ที่เกิดในทุกติภูมินั้นถูกจัดให้อยู่ในประเภทเวนยสัตว์จึงไม่อาจรับธรรมะได้แต่ก็คงเป็นบุญของมันที่ได้มาพบท่านเพราะว่าชาติต่อไปมันจะไม่ต้องเกิดในอบายภูมิอีกท่านจะต้องลุ้นมันให้ถึงที่สุดลุงลุงฮะหินก้อนนั้นเกะกะจังเอาไปไว้ที่อื่นได้ไหมฮะคุณทองถามหลังจากที่ทำทศครูฉันพัทหารเช้าเสร็จ ตั้งแต่เช้ามาอยู่ในกุฏิเขาก็จัดการให้ท่านฉันเสียชั้นบนเพราะแขกบางคนชอบมาพูดคุยซักถามขณะที่ท่านกําลังฉันก้อนไหนละ่ะก้อนที่รูปร่างเหมือนไข่ ย, ยักษ์นะฮะข้าไม่เคยเห็นไข่ ย, ยักษ์เลยนึกไม่ออกแต่ถ้าเองจะหมายถึงก้อนที่วางอยู่ทางด้านขวาของอาสนะข้าแล้วก็บอกเองว่าอย่าไปยุ่งกับเขา เพราะเขาไม่ใช่ก้อนหินธรรมดาแม้หลงลงก็หนูถามดีๆก็ต้องยวนด้วยล้านชายต่อว่าปรางค้อนปลับประเหลือท่านพระครูชินซะแล้วกับกริยาเช่นนี้จึงไม่พูดว่าให้เขาต้องรำคาญหูก็ที่กุติหลงลงมันมีหินกี่ดก้อนหละ่ะตั้งแต่เข้ามาหนูก็เห็นก้อนเดียวท่านนั้นแหละและที่ว่าไม่ใช่ธรรมดาอนะมันเป็นหินวิเศษนะฮะ หนุ่มวัยยี่สิบเอ็ดถามอย่าไปเรียกเขาว่ามันข้าจะบอกให้เองรู้แล้วก็อย่าเที่ยวไปบอกคนอื่นล่ะหินก้อนนั้นน่ะมีวิญญาณสิงอยู่เขาอยากจะมาปฏิบัติกรรมฐานข้าก็เลยให้เขาอยู่ชั้นล่างผู้หญิงหรือผู้ชายฮะในคนทองถามเขาเชื่อว่าผีมีจริงแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่กลัวผีจึงไม่ได้ส่งเสียงกรี๊ดกราดออกมาผู้ชาย หล่อไหมฮะเอ็งถามทำไมก็ท่านหล่อหนูจะได้จีเป็นแฟนนะสิฮะมีแฟนเป็นผีเทยอกเมื่อไรคนที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงตอบท่านรครูรีบห้ามว่านี่ขอสิทธิเธอจะขุนทองเอ็งอย่าได้ว่าคิดตามกจกเปรตในกุฏิของข้าที่ข้าให้เอ็งมาอยู่ที่นี่ก็เพื่อจะให้มาช่วยทำความดีนะคนอยากมีแฟน มันช่วยยังไงละฮะคนถูกว่าย้อนมันวิปริตผิดเพศยังไงแล้วก็ยังผิดภพภูมิอีกด้วยอีกประการหนึ่งเขาก็มีคู่รักแล้วเองเห็นเสาสี่เหลี่ยมพิงอยู่ที่ต้นปีบหลังกุฏินั้นไหมละ่ะนั่นแหละแฟนเขาละ่ะสาสีดำนั่นเหรอฮะท่านพระครูตอบว่าถูกแล้ววิ ญ, ญญาณผู้หญิงอยู่ในนั้นเขาตามผู้ชายในกอนหินมา ฟังแล้วในขุนทองก็ร้องกรีดว่าให้ตะเถนตกหกขมีนเตลังกาเจ้าข่าเอ้ยเป็นผีก็ยังอยากมีผัวผีอยากมีผัวอีขุนทองไม่เคยไม่เคยพบไม่เคยเห็นผีอยากมีผัวก็ยังไม่วิปริตถ้าผู้ชายอยากมีผัวหรอกนะขุนทองเอ้ยท่านพระครูพูดประชดประชันแถมยังอยากมีผัวเป็นผีด้วยใช่หมฮะ แทนที่จะโกรธในขุนทองกับผู้โต้ตอบคนเป็นหลงลุงย่างไม่ลดละท่านพระครูได้เรียนรู้นิสัยของหลานชายเพิ่มขึ้นปกติผู้ชายมีจิตใจเป็นผู้หญิงมักจะกลัวผีคิดโกรธแล้วก็ปากจัดหากในขุนทองไม่ได้เป็นเช่นนั้นท่านมองเห็นความหวังอยู่รำไรว่าคงจะช่วยเขาได้เมื่อไรเองจะหายดักจริตหลีดดิ้นสักทีนะเจ้าขุนทอง ท่านพูดเป็นเชิงปลารพไม่มีทางไม่มีทางก็ฟ้าเขาลิขิตให้หนูเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้แลหละฮะหลงลงุงชายหนุ่มว่าเองเชื่อฟ้ามากกว่าเชื่อก ร, รมงันหรือหนูอยู่ใต้ฟ้าแล้วไม่เชื่อฟ้าได้ยังไงล่ะฮะข้าก็อยู่ใต้ฟ้าเหมือนกับเองแต่ข้าไม่เชื่อเรื่องฟ้าลิขิตข้าเชื่อกำรรลิขิตเท่านั้นหนูไม่จาเป็นต้องเชื่อ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 โอ้โหวันนี้วันอะไรเนาะพ่อขุนทองทึ้งได้พูดเข้าทีดีนะักท่านพระครูเอ่ยปากชมวันศุกร์ขึ้นก้าค่ำเดือนสามปีขานพุทธศักราช2517ห้ายสิบเจ็คในขุนทองตอบเพราะเพิ่งดูปฏิทินมาเอ็งจะทำอะไรก็ไปทำเธอไปประเดี๋ยวข้าจะเขียนหนังสือต่อท่านพระครูไล่ทางอ้อมซึ่งในขุนทองก็ไม่ว่ากะไร เขากราบสามครั้งแล้วก็จัดแจงเก็บสำรับเพื่อจะยกมารับประทานกับในสมชายที่กุติชันล่างท่านพระครูลงมาล้างมือบ้วนปากในห้องน้ำแล้วขึ้นไปเขียนหนังสือต่อ บายสองโมงจึงลงไปรับแขกตามตารางที่ในขุนทองจักให้พระบูเหียวปฏิบัติกรรมฐานเสร็จจึงแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปยังบิดามารดาเจ้ากรรมในเวรและสรรพสัตว์หลังจากฉันเช้าแล้วท่านก็เริ่มเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิไปจนได้เวลาฉันเพลนปฏิบัติเช่นนี้ทุกวันจนปิดกิจวัตรเว้นเสียแต่ว่าวันใดมีธุระ หรือข้อสงสัยจะต้องรีบถามพระอุบายาจารย์จึงจะไปหาท่านที่กุติท่านเริ่มจะชินกับการดำเนินชีวิตแบบสมณเพศเป็นชีวิตที่เรียบง่ายและสุขสงบไม่ต้องตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาไม่ถูกมันชักจูงให้ชีวิตต้องร้อนรนกระวนกระวายบัดนี้ท่านตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะดารงชีวิตอยู่ในเพศบรนปชิตไปจนกว่า วาระสุดท้ายแห่งชีวิตจะมาถึงไม่คิดที่จะศึกออกไปแต่งงานมีย่ามีเรือนเฉ็กเช่นคนอื่นๆความหวังของท่านในบัดนี้คืออยากพบพระในป่า ที่เคยสอนกรรมฐานให้ท่านพระครูที่ป่าดงพญาเย็นเมื่อห้าหกปีก่อนพระบูเยียวมีความเชื่อ ว, ว่าพระในป่าที่ท่านพระครูพูดถึงนั้นเป็นองค์เดียวกับพระอรหันต์ผู้มีนามว่าอุตระที่พระเจ้าอโศกมหาราชส่งมาเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนสุวรรณภูมิในปีพุทธศักราช234อันเป็นระยะเวลาที่พระองค์ครองราชสมบัติ นานครปารตีบุตรความรู้อันนั้นพระบูเหียวได้มาจากตำราเล่มหนึ่งที่ขอยืมมาจากพระมหาบุญในตำราได้กล่าวว่าพระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งศาสนาทธูตออกเผยแผ่พระศาสนาในน า, นานาประเทศทรงส่งพระโสนะกับพระอุตระมายังดินแดนสุวรรณภูมิ พระบุเยียวเคยนำเรื่องนี้ไปเรียนถามท่านพระครูแต่ก็ไม่ได้รับการยืนยันขณะเดียวกันท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธเพียงแต่บอกว่าเมื่อใดที่ท่านเกิดปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ก็จะไปถามพระในป่าโดยไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปถึงป่าดงพญาเยน็นภิกษุวัย26สอธิบายให้ผู้อื่นฟังไม่ได้ว่าทำไมท่านจึงเชื่อแบบนี้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 พอท่านเปิดประตูห้องออกมาก็พบจดหมายฉบับหนึ่งวางอยู่เมื่อหยิบขึ้นมาดูก็เห็นว่าเป็นของท่านจึงเปิดออกอ่านเป็นลายมือของนายหลุ่มหากข้อความในจดหมายเป็นของโย ม, มารดาเพราะนางมุลพาอ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้เนื่องจากเป็นคนโวนท่านอ่านจดหมายของมารดาอย่างตั้งใจจดหมายนั้นเขียนเมื่อวันที่สาสิบเอ็ดมกราคม 2,517 ความว่าบัวเฮียวลูกรักจดหมายของเจ้าที่เขียนเมื่อ25ธันวาคม 2,516 นั้นแม่ได้รับเมื่อหลังปีใหม่ก็ดีใจว่าเจ้าเป็นพระแล้วงานแม่ยุ่งไม่มีเวลาตอบประทั่งเกิดเรื่องประหลาดขึ้นเมื่อเช้านี้เลยต้องให้ทิรุมเขาเขียนมาเล่าให้ฟังเมื่อตอนเช้ามืดแม่กับทิดลมฝันตรงกัน อฝันเห็นเจ้าห่มผ้าเหลืองมาบอกให้แม่กับทิดเขาเลิกค่าสัตว์ให้ไปหางานอื่นทำที่จริงเราก็คิดกันนานแล้วว่าจะเลิกแต่ก็ไม่รู้ว่าจ ะ, จะไปทำอะไรกินพอดีเมื่องวดที่แล้วทิดหลุมเขาฝันเห็นเลขเลยแทงหวยใต้ดินไปยี่สิบบาทแล้วมันก็ถูกที่สำคัญก็คือแม่กำลังจะมีน้องให้เจ้าตั้งแต่ตั้งท้อง ก็เหม็นกลิ่นวัว ก, กลิ่นควายแล้วก็ไม่ได้ช่วยทิดเขาแล่เนื้ออีกเลยวันนี้เป็นวันพระไม่ต้องค่าก็เลยค่อยอยังชั่วนหน่อยแล้วก็เหมือนโชคเข้าข้างเราเพราะเมื่อวานมีคนมาสมัครงานกับเท่าแก่เท่าแก่เขาบอกว่าถ้าทิศตรุ่มออกเขาก็จะรับคนนั้นแทนทิศตรุ่มเคยไปขอลาออกเมื่อสองสามวันก่อนเพราะสงสารที่แม่แพ้มาก เมื่อวานเราก็บอกเท่าแก่ไปแล้วว่าจะออกตอนเช้ามืดก็มาฝันพอดีคงจะเป็นบุญของเจ้าที่ได้ไปบวชจึงทำให้แม่กับพ่อเลี้ยงของเจ้าเลิกอาชีพนี้ได้ถ้าแม่ได้ที่อยู่ใหม่เรียบร้อยแล้วจะส่งข่าวให้เจ้ารู้ทีหลังหวังว่าเจ้าคงสบายดีถ้ามีเวลาก็มาเยี่ยมแม่บ้างรักและเป็นห่วงลูกเสมอลงชื่อบุญพารม ข้อความในจดหมายทำให้พระบวัวเหียวปิตินักท่านรีบเดินไปที่กุฏิท่านพระครูเพื่อแจ้งข่าวในขุนทองนาท่านขึ้นไปพบหลวงลุงที่ชั้นบนของกุฏิเพราะชั้นล่างนั้นมีคนมานั่งรอกันบ้างแล้วแม้ว่าอีกตั้งสามชั่วโมงกว่าท่านจะลงมามีอะไรหรือบวัวเหียวถ้าไม่รีบร้อนไปฉันเพนเสก่อนก็ได้ท่านพระครูบอกลูกศิษย์ เพราะเกรงว่าฝ่ายนั้นจะหิวกราบพระอุปชาสามครั้งแล้วผู้เป็นสิทธิจึงตอบว่าผมอิ่มแล้วครับหลวงพ่อฉันปิติเะอิ่มเลยปิติเรื่องอะไรล่ะแทนคำตอบพระบูเยวก็ส่งจดหมายฉบับนั้นให้ท่านพระครูรัฐมาอ่านและแสดงมุทิตาจิตว่าฉันขออนุโมทนาเห็นไหมเธอทำสำเร็จแล้ว เห็นอานิสง์ของการแผ่เมตตาหรื อ, อยังเห็นแล้วครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงครับที่นอกจากจะเมตตาตัวผมแล้วก็ยังเมตตาไปถึงโยมแม่ด้วยและหากไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปผมอยากขอความการุณาหลวงพ่อช่วยเมตตายโยมพ่อผมด้วยอีกคนเถอะครับจะยากอะไรเราบ่อเยี่ยวก็ทําอย่างที่เธอทําอยู่นั่นแหละ แต่จะต้องให้มากกว่าเก่าเพราะว่าถ้าพลังไม่แรงพอก็จะส่งไปไม่ถึงเธอต้องฝึกให้เข้มข้นกว่านี้จึงจะสามารถส่งไปพบภูมิอื่นได้ก็ขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของเธอนั่นแหละเอาเลยหลวงพี่สู้สู้คุณทองจะเอาใจช่วยให้คุณทองเชียร์ออกหน้าออกตาถ้าเองมาช่วยปฏิบัติ ด, ด้วยรับรองว่าสาเร็จแน่ ท่านพระครูเห็นช่องทางที่จะโน้มน้าวจิตใจหลานชายอุ้ยอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยฮะหลวงลุงให้หนูคอยเอาใจช่วยดีกว่าอย่าให้ถึงกับลงไปขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอด้วยเลยง่ายขุนทองรีบปฏิเสธหลวงพ่อเคยบอกว่ามีคนทำได้มาแล้วที่เป็นชาวนอร์เวย์นะครับผมขออนุญาตฟังได้ไหมครับได้สิถ้าเธออนุญาตให้ฉันเล่า ฉันก็จะอนุญาตให้เธอฟังทะเลียนน้องชายครับขอบพระคุณครับนี่มลหลวงพ่อเล่าเธอครับเธอเห็นรูปพระฝรั่งที่ตั้งอยู่หน้าอาสนะของฉันนั่นหรือเปล่าละ่ะนั่นแหละเขาละ่ะอ๋อที่นั่งขัดสมาธิหลับตาอยู่ในรูปนั่นใช่ไหมฮะหลวงลงุงแม่ล้อหล่ อ, ลอนายขุนทองชมหล่อก็อย่าไปหลงรักเขาก็แล้วกันเขามีเมียแล้วท่านพระครูปรามไว้ก่อน แล้วฮะแหมอีคุณทองอกหักซะแล้วพูดพร้อมกับยกมือขึ้นทาบอกจะฟังหรือไม่ฟังถ้าไม่ฟังก็ลงไปข้างล่างท่านพระครูไล่ยอย่างสุภาพฟัง้าฟังแม้พูดแค่นี้ก็ต้องมีมะโหด้วยหลานชายบนอุบท่านพระครูจึงเล่าว่าเขาเชื่อววิโกโบรุนเป็นชาวนอร์เวย์แต่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลายัยโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์ก เคยมาบวชที่วัดนี้เมื่อปี2512วิกโก้เป็นชื่อส่วนบรุญเป็นนามสกลุลเขานับถือศาสนาอะไรครับศาสนาครตกแต่สนใจอยากศึกษาพระพุทธศาสนาเขาสอนภาษาไทยอยู่ที่มหาวิทยาลัยโอเป็นเฮเกนได้ทุนของมหาวิทยาลัยมาเรียนภาษาไทยที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเขาเล่าให้ฉันฟังว่า ปู่เขาเป็นศาสตราจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่ประเทศนอร์เวย์ชอบศึกษาพระพุทธศาสนาอ่านพระตไตรปิฎกจบทั้งหมดคืออ่านฉบับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเวลานี้ยังแปลไม่ครบสี่สิบห้าเล่มแปลเป็นบางเล่มแล้วปู่เขาก็อ่านหมดตอนเข้ามาอยู่เมืองไทยปู่ก็ให้พรว่าหลานมาเมืองไทยอย่าลืมมาเอาของดีมาฝากปู่นะ เขาสั่งล้านอย่างนี้ซาตราจันคนนี้แกฉลาดจริงๆอุษารู้ว่าเมืองไทยมีของดีคนไทยสิอีกยังไม่รู้ของดีอะไรล่ะครับของดีอะไรฮะพระโบเฮียวและนายกุนทองถามขึ้นพร้อมกันนั่นไงคนไทยสองคนที่นั่งอยู่ที่นี่ยังไม่รู้เลยคนไทยคนเดียวครับผมเป็นคนยวนพระโบเฮียวรีบแก้ตัว นั่นแหละนี่เงาทั้งคนไทยทั้งคนยวนนั่นแหละเอาละไม่รู้ก็ไม่เป็นไรฟังฉันเล่าต่อไปก็แล้วกันพ่อปู่พูดอย่างนี้นายวิกโก้ก็ถามว่าของดีอะไรปู่บอกเอาเถอะไปถึงแล้วจะรู้เองหลังจากนั้นนายวิกโก้ก็เดินทางมาประเทศไทยเมื่อปี 2,511 รอเรียนอยู่ปีหนึ่งพอผิดเทอมภาคฤดูร้อน ก็นักยากจะบวชจึงอ่านพระวินัยปิดกทั้งแปดเล่มแล้วก็อ่านภาษาไทยได้พูดก็ได้ใช้ศัพท์ถูกต้องกว่าคนไทยบางคนสิอีกแล้วก็ก็คิดหาวัดที่จะบวชก็เที่ยวสำรวจวัดต่างๆตั้งแต่กรุงเทพอายุทยาอ่างทองลบบุรีจนกระทั่งมาถึงวัดป่ามะม่วงเนี่ยผ่านมาถึงสี่จังหวัดไม่ถูกใจมาถูกใจเอาจังหวัดที่ห้า ที่วัดป่ามะม่วงตั้งอยู่นี่เขาเอาอะไรมาตัดสินล้ครับว่าวัดไหนถูกใจหรือไม่ถูกใจพระบุญเฮียวถามเขาบอกเขาเที่ยวถามพระมาทุกวัดให้ตอบปัญหาเขาแต่ไม่มีพระวัดไหนตอบได้เขาถามว่าอะไรเอ่ยสี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแคร่สองคนพาไปเขาบอกไม่มีใครตอบได้ เขาก็เลยมาถามฉันฉันก็ตอบเขาไปจะถูกหรือไม่ถูกก็ไม่รู้ก็เพราะเขาไม่ได้เฉลยเพราะฉันตอบเสร็จเขาก็ขอบวชทันทีหลวงพ่อตอบว่าอย่างไรครับเธอลงตอบสิถ้าเป็นเธอถูกถามอย่างนี้จะตอบว่าอย่างไรท่านถามพระบโบเฮียวไม่ทราบครับแต่ผมอยากทราบที่หลวงพ่อตอบเ้านะครับ ฉันตอบไปว่าสี่คนหามก็คือตัวเราซึ่งเกิดจากการประชุมกันของธาตุทั้งสี่คือปฐวีธาตุอาโปธาตุวายโยธาตุเตโชธาตุลุงลุงหนูไม่เข้าใจช่วยแปลหน่อยเถอะ哈แม่คุณทองขอร้องพระบูเหียวจึงรับหน้าที่แปลให้ฟังว่าธาตุทั้งสี่ที่ท่านพระครูพูดถึงคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนั่นเอง สามคนแหก็คือกิเลสหรืออกุสลมูลสามได้แก่โลภะโทสะโมหะหนึ่งคนนั่งแคร่ก็คือจิตของคนนั้นประกอบด้วยสองส่วนคือรูปกับน้ำรูปเกิดจากการประชุมกันของดินน้ำลมไฟส่วนน้ำคือจิตสองคนพาไปก็คือบุญกับาบาปขยายความ คือคนเราขณะมีชีวิตอยู่ก็ถูกโลภะโทสะโมหะชักจูงไปพอตายลงก็เหลือแต่บุญกับบาปที่จะพาไปสุคติหรือทุคติพอฉันตอบอย่างนี้เขาก็ขอบวชบอกว่าอ่านพระวินัยปิฎกเข้าใจหมดแล้วสิขาบทสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อก็จำได้แล้วฉันเห็นท่าทางเขาดีเข้าทีก็เลยให้บวชแล้วก็สอนกรรมฐานให้ เขาก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเอาจริงเอาจังเทศก็เก่งฉันเคยพาไปเทศตามงานต่างๆเทศแบบปุจฉาวิสัชนาก็ได้พวกชาวบ้านเขาชอบใจมากวันหนึ่งฉันพาไปเทศงานศพเขาก็ไปว่าพวกลูกๆของคนตายฉันต้องรีบพากลับแทบจะไม่ทันไปว่าเขาทาไมล่ะครับก็พวกนั้นทําให้ถูกต้อง งานศพพ่อลูกๆพากันกินเหล้าเมาแอะเขาก็ถามพวกนั้นว่าคนที่นอนอยู่ในโลงน่ะใครพวกลูกๆ ก, ก็บอกว่าพ่อผมเองท่านไม่รู้หรอกคือหลวงพ่อที่พามาไม่ได้บอกหรอกคือเขาก็ตอบว่ารู้แล้วหลวงพ่อก็บอกแล้วด้วยแต่ที่ถามเพราะอยากรู้ว่าในเมื่อพ่อของพวกคุณตายและพวกคุณมานั่งกินเหล้าต่อหน้าศพเช่นนี้พ่อคุณจะได้บุญยังไง พอพูดอย่างนี้พวกลูกๆ ก, ก็ทำท่าจะตลุมบอนเพราะคนเมา่นั้นขาดสติแยกไม่ออกว่านี่พระนี่คารวะพอพูดผิดหูหน่อยก็จะตลุมบอลพระเสียแล้วฉันก็เลยเรียบพากลับวัดพวกชาว บ, บ้านที่มาฟังเทศก็ไม่อยากให้กลับบอกหลวงพ่อนิมนต์อยู่ก่อนฉันก็ตอบว่าอยู่ไม่ได้หรอกโยมพระวิโก้ทำพิษแล้วแล้วเขาก็แผ่เมตตา ไปให้พ่อแม่ตอนไหนละครับตอนบวชได้สองเดือนแล้วเขาตั้งใจปฏิบัติมากบอกได้หมดว่ารอบวัดที่เดินจงกลมกี่ก้าวใช้เวลากี่นาทีวันหนึ่งเขาก็ถามฉันว่าเขาจะแผ่เมตตาไปยังพ่อแม่นะ่ะพ่อแม่ที่นอร์เวย์จะได้ไหมฉันมองหน้าเขาอย่างสำรวจตรวจตราและก็ตอบว่าได้เขาก็ทําอย่างที่เธอทํา วันหนึง่งเขาก็ถือจดหมายมาหาฉันร้องไห้ด้วยเขาบอกเขาดีใจจนต้องร้องไห้จดหมายนั้นใช้เวลาเดินทางหนึ่งเดือนจึงถึงวัดป่ามะม่วงคือเดินทางจากนอร์เวย์มาติดอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์เพื่อนเขามาเห็นก็เลยนามาให้เขาเล่าว่าวันนั้นเมื่อเขาทากรรมฐานเสร็จก็แผ่เมตตาไปให้ปู่พ่อแม่ แล้วก็เพื่อนสนิทอีกสองคนในจดหมายแม่เล่ามาอย่างละเอียดวันและเวลาตรงกับที่เขาแพ่เมตตาไปให้แม่เขาเล่าว่าวันนั้นปู่เขาพ่อเขาและเพื่อนเพื่อนอีกสองคนกำลังคุยกันอยู่ในห้องรับแขกส่วนแม่เขาไม่สบายแต่ก็นอนฟังเขาคุยกันอยู่ในห้องนอนพอคนทั้งสี่คุยถึงเขาแม่ก็เลยลุกมาร่วมวงด้วย และทุกคนก็ได้เห็นผ้าเหลืองลอยอยู่ทางทิศตะวันออกแล้วก็หายไปปู่จึงพูดขึ้นว่าล้านข้องปู่ได้มาพบของดีในเมืองไทยแล้วแม่เขาก็เลยเข้าห้องหยิบปากกาและกระดาษมาเขียนจดหมายเล่าให้เขาฟังเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ยิ่งนักเพื่อนเขาสองคนก็ประหลาดใจมากหนูก็ประหลาดใจมากมากฮะหลงลุงมันเป็นไปได้ยังไงผ้าเหลืองจากเมืองไทย ลอยไปประเทศนอร์เวย์ไม่ใช่ผ้าเหลืองจริงๆหรอกเจ้าขุนทองที่คนทั้งห้าเห็นนั่นนะ่ะเขาเรียกว่านิมิตถ้าเองอยากพิสูจน์ก็ต้องเข้ากรรมฐานท่านพระครูถือโอกาสเกลี้ยกล่อมคนที่เป็นหลานอุ้ยกรรมถงกรรมฐ า, านอีขุนทองไม่เอาไม่เอานายขุนทองปฏิเสธเสียงลั่น <S <S นายสมชายขี่จักรยานกลับมาถึงวัดเมื่อเวลาประมาณสามทุ่มเห็นรถเด่นสีดำคันหนึ่งจอดอยู่ที่ลานจอดรถด้านหลังของกุฏิ คิดว่าคงจะต้องมีแขกมาหาท่านพระครูอาจจะเป็นสามคนที่กำลังเดินเห็นหลังอยู่ววัยข้างหน้านั่นเขาจะต้องให้ไปถึงกุฏิก่อนเพื่อที่จะบอกพวกเขาว่าหมดเวลารับแขกแล้ววันธรรมดาท่านพระครูจะลงรับแขกเวลาเดียวคือตั้งแต่สิบสถึง1ิบปดนาฬกายกเว้นวันพระจึงจะลงสองครั้งตามที่นายขุนทองจัดตารางให้ ตอนนี้เจ้าหนุ่มวัย2ี่สิบอดคนนั้นคงจะหลับไปนานแล้วเพราะเป็นคนนอนแต่หัวค่ำสิคุนกุตินำจกักรยานเข้าไปเก็บในโรงรถเมื่อกลับออกมาก็เห็นชายวัยกลางคนกับสตรีวัยหกสิบเศษช่วยกันประคองบุรุษสูงอายุเข้ามานั่งบุรุษนั้นสวมแว่นตาดำอายุคงในราวเจ็ดสิบเศษเข้ามานั่งแล้วก็ยังไม่ยอมถอดแว่นตาดาออกเขาจึงเข้าไปถามว่า ลุงมาพบหลงพ่อเหรอครับวิตายสตรีวัยหกสิบเศษอุทานเสียงสูงแล้วก็บอกบุรุษที่ใส่แว่นตาดำว่าท่านคะเขาเรียกท่านว่าลุงนะคะได้ยินหรือเปล่าครับคนที่ถูกเรียกว่าลุงรู้สึกว่าอัตตาวิ่งสูงจนหากใช้ประลอดวัดก็คงไม่ต่ำกว่าจุดเดือกก็จึงพูดโกรธว่าเขาคงไม่รู้ละมั้งว่าพี่เป็นใคร คุณหญิงช่ยบอกเขาเอาบุญหน่อยสิเขาเรียกสตรีผู้นั้นว่าคุณหญิงให้แต่เอบอกดีกว่าค่ะแต่เอบอกพ่อคนนี้สิว่าอากับคุณพ่อเธอเป็นใครมาจากไหนหล่อนหันไปพูดกับชายวัยกลางคนด้วยท่าทางหยิ่งหยิงในเอ่อบอกลูกศิษย์วัดว่าน้องชายนี่คือท่านรัฐมนตรีปลด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 ถ้าอย่างนั้นท่านก็เป็นว่าที่รัฐมนตรีใช่ไหมครับคงจะอย่างนั้นทีนี้กระผมจะเรียนถามท่านรัฐมนตรีและคุณหญิงว่าท่านจะมาพบหลวงพ่อใช่ไหมขอรับนายสมชายจำเป็นต้องเล่นบทใหม่เพื่อให้ถูกใจคนถูกใจในที่นี้ก็คือถูกใจกับกิเลส ข, ของพวกเขาท่านพระครูเคยสอนไว้ว่าการที่จะผูกมิตรกับคนนั้น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 มีสัมอาคาระวะคุณหญิงออกปากชมทั้งทั้งที่ว่าไปยกยกน้องชายท่านปลครูอยู่หรือเปล่าว่าที่รัฐมนตรีถามอยู่ขอรับงั้นขึ้นไปเรียนท่านด้วยว่ารัฐมนตรีมาขอพบนายเอออกคําสั่งพอดีกับนายขุนทองลงมาจากข้างบนครั้นเห็นนายสมชายก็ต่อว่าทัานทีกลับแล้วหรอือ นึกว่าจะนอนบ้านสาวซะอีกคนอะไรหายไปตั้งแต่เที่ยงคนถูกต่อว่าไม่โต้เถียงหากถามเสียงเรียบว่ายังไม่นอนอีกเหรอนึกว่าหลับไปซะแล้วหลวงพ่อกำลังทำอะไรอยู่นะนายคุณทองไม่ตอบหากหันไปพูดกับอคัญตุ ก, กะทั้งสามว่ามาหาหลวงพ่อหรือฮะท่านเพิ่งขึ้นไปเมื่อตอนสองทุ่มนี่เองวันนี้รับแขกเกินเวลาไปตั้งสองชั่วโมง พรุ่งนี้เช้าค่อยมาใหม่ก็แล้วกันนะคะอารมณ์ที่กําลังจะดีขึ้นของคุณหญิงมีอันจะต้องบูดอีกครั้งเมื่อฟังค่อยคําของเจ้าหนุ่มหน้าหวานหลอนแหวเข้าใส่ว่านี่เธอจะพูดจาจา ก, ก็ให้ดูมั่งรู้ไหมว่าฉันเป็นใครมาจากไหนไม่รู้哈แต่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนหนูก็ไม่สามารถที่จะให้คุณพบหลวงลุงได้ กฎก็ต้องเป็นกฎฮะนมวัย2ี่สิบเอ็ดเถียงพร้อมแสดงตัวเป็นหลานด้วยการเรียกท่านพระครูว่าหลวงลุงโอหังแกนี่โอหังมากนะนอกจากโอหังแล้วยังพูดจาไม่มีสัมมาคาระวะดัดจริตดีดิ้นไม่มีใครเกินดีที่นายขุนทองไม่ใช่คนมักโกรธหากเป็นกระเทยคนอื่นก็คงจะปรีเข้าไปตบกุณหญิงเข้าให้แล้ว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 ประโยกหลังเขาหันไปพูดกับคุณหญิงแม้เธอนนิไม่มีคอมมอนเซนต์เสเลยเป็นรัฐมนตรีก็ต้องมาจากกรุงเทพสิยะคุณหญิงผ่านเอากับนายสมชายเพราะโกรธนาขุนทองจะเป็นใครมาจากไหนหนูไม่สนใจทั้งนั้นกฎก็ต้องเป็นกฎหนูจะไม่ยอมให้ใครเอาอำนาจรัชศักดิ์มาทำให้เสียความยุติธรรมหรอกนมวัยี่สิบเอ็ดยืนการาน แต่กฎมันก็มีข้อยกเว้นนะขุนทองทำไมเธอไม่ดูเยี่ยงอย่างหลวงพ่อล่ะเห็นไม่ว่าบางเรื่องท่านก็โอนอ่อนผ่อนปรนให้ไม่ได้เอาหัวชนฝาไปเซ็ตทุกเรื่องเหมือนที่เธอทำอยู่นี่หรอกลูกศิษย์วัดเตือนด้วยความหวังดีแต่กลับถูกแวกใส่ว่าตามใจถ้าพี่เห็นว่าหนูไม่ดีหนูก็จะไปนอนละแล้วถ้าหลวงลุงดุอย่ามาหาว่าหนูไม่เตือนก็แล้วกัน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 หลวงพ่อครับรัฐมนตรีกับคุณหญิงมาขอพบหลวงพ่อครับเขารายงานหลังจากที่ทำความเคารพได้การกราบสามครั้งท่านพระครูรู้ตั้งแต่รถเ้นสีดังวิ่งเข้าประตูวัดมโ น, นแล้วท่านพูดกับสิทธกุนกุติว่าเขากำลังร้อนนะสมชายร้อนมากทีเดียวผมเปิดพัดลงให้แล้วครับคงไม่ร้อนเท่าไหร่นายสมชายว่าฉันไม่ได้หมายความว่าร้อนภายนอกนะ แต่หมายถึงร้อนภายในคนทั้งสามนันถูกไฟกิเลสแผดเผาจนร้อนรุ่มกลุ่มรวงหวังจะให้ฉันช่วยดับและหลวงพ่อจะช่วยเขาไหมครับช่วยไม่ได้รอกสมชายเอ้ยฉันน่ะอยากจะช่วยทุกคนที่มหาเพราะคนที่มหาฉันแล้วล้วนแต่แบกทุกมากันทั้งนั้นอย่างที่พระบวัวเหียวแอบตั้งสมญาว่าพวกเอาปัญหามาให้พระนั่นแหละ แต่ถ้าเขาไม่มีทุกข์เขาก็ไม่มาหาหลวงพ่อหรอกครับนายสมชายแย้งอย่างสุภาพและข้อโต้แย้งของเขาก็จริงเกือบร้อยเปอร์เซน คนสมัยนี้เขาจะนึกถึงพระก็ตอนมีทุกข์นั่นแหละตอนมีอำนาจวาสนาก็หลงมัวเมาก่อกรรมทำชั่วโดยไม่กลัวบาปกลัวกรรมพอกรรมชั่วมาให้ผลทีนี้จะนึกถึงพระนึกถึงศาสนาเธอรู้ไหมคนที่อายุมากที่สุดนะ่ะตาบอดเพราะสั่งสมอกุศลกรรมไว้มากมีเงินเป็นร้อยๆ อ, อยล้านยังรักษาไม่หายโรคกรรมนั้นไม่มีหมอที่ไหนรักษาได้ ข้อนี้ขอให้เธอจำใส่ใจไว้จะได้ไม่ทำชั่วแล้วหลวงพ่อรักษาได้ไหมครับฉันไม่ใช่หมอก็ขนาดหมอยังรักษาไม่ได้แล้วฉันเป็นผู้วิเศษมาจากไหนล่ะเธอนี่พูดแปลกๆเอาละ่ะเธอไปบอกเขารอสักประเดี๋ยวฉันจะลงไปท่านออกคำสั่งให้เขาขึ้นมาข้างบนไม่ดีกว่าหรอครับเผื่อมีใครมาอีกเดี๋ยวหลวงพ่อก็ไม่ได้พักผ่อนกันพอดี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 จะให้หนังสือเล่มนี้เป็นตัวแทนของท่านผู้ที่ไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติสามารถศึกษาได้จากหนังสือที่ท่านเขียนไว้ก็ว่าจะบอกให้ในายสมชายรู้เมื่อเวลานั้นใกล้เข้ามานอกจากพระบัวเหวียวแล้วยังไม่มีผู้ใดรู้เรื่องที่ท่านจะประสบอุบัติเหตุรถคว่ำคอหักในวันที่สิบสี่ตุลาทําไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นล่ะครับลูกศิษย์วัดไม่เข้าใจอย่าเพิ่งซักถาม เอาไว้ถึงเวลาและฉันจะบอกเธอเองลงไปได้แล้วก็ปิดประตูเสียให้หมดจะได้ไม่มีใครมารบกวนนายสมชายกราบสามครั้งแล้วก็ลงมาบอกคนทั้งสามว่าเดี๋ยวท่านจะลงมาครับลงเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรือแม้เรื่องมากจริงเป็นพระเป็นเจ้าไม่น่าจะยศเจ้าอย่างคุณหญิงพูดจอดจอดเพราะยังอารมค้างกับเรื่องในขุนทอง คุณหญิงใจเย็นๆน่ะว่าพระว่าเจ้าบาปกรรมรู้ไหมอดีตรัฐมนตรีเตือนน้องสาวฟังหล่อนพร่ามมานานก็เลยต้องเบรกเบรกไว้ใส่มากงก็มันจริงๆนี่คะท่านคนเป็นคุณหญิงเถียงพี่ชายแล้วบ่นกระปอดกระแปดว่านี่ก็ตั้งสามทุ่งกว่าเข้าไปแล้วกว่าจะถึงบ้านมีสองยามสามยามหรือถึงเมื่อไรก็ช่างเธอ ขอให้มันถึงก็แล้วกันคุณหญิงพูดราวกับว่าไม่เคยกลับบ้านดึกๆอย่างนั้นแหละจำไม่ได้แล้วหรือสมัยที่คุณอักกระเดบยังอยู่นะ่ะคุณหญิงนั่งจั่วไพ่ตั้งแต่หัวข้ามยันรุ่งสางไม่เห็นบนซักคำแถมบางวันยังไปเต้นรำกับไอ้หนุ่มกลับบ้านตีสามตีสี่โน่นมาที่วัดดึกหน่อยทําบนอดีตรัฐมนตรีว่าน้องสาว สมัยที่สามีฉันยังมีชีวิตคุณหญิงหลงระเริงกับอำนาจวาสนาและทำตัวซ่า จนคนเป็นพี่ชายแท้ๆยังหมันไส้ถูกว่าเช่นนั้นคุณหญิงมีอารมณ์จึงแหวขึ้นใส่พี่ชายว่าแล้วท่านดีกว่าฉันนักหรือคะท่านน่ะหักหลังได้แม้กระทั่งเพื่อนสนิทท่านมีเมียน้อยอายุคราวลูกคราวหลานไปที่ไหนก็มีเมียที่นั่นจนคุณหญิงตรอมใจตายเพียงแค่นี้ท่านก็ไม่ได้ดีไปกว่าดิฉันแล้วละค่ะคุณหญิงพูดโกรธ แต่คนที่โกรธมากกว่าคือรัฐมนตรีเขาด่าน้องสาวอย่างไม่ไว้หน้าว่ายัยออนแกมันชั่วช้าสารเลวไม่มีที่เปรียบถึงฉันจะเป็นพี่ชายแท้ๆของแกฉันก็ไม่เข้าข้างแกนึกว่าฉันไม่รู้ความเลวระามของแกหรือไงจะให้บอกไหมไอ้หนุ่มที่มันนอนกับแกหนะชื่ออะไรบ้างแกจําชื่อจําหน้ามาได้หมดทุกคนหรือเปล่า แล้วเจ้าอัครเดชเป็นอมภพฤกก่อนตายนะ่ะมันเครียดที่เมียมันมีชู้ใช่ไหมผู้ชายมีเมียมีชู้นะ่ะเป็นโรคเครียดกันทุกคนแหละถึงบางคนจะไปมีเมียใหม่แต่ความเครียดก็ยังไม่หายอารมณ์วิปริตผิดมนุษย์เข้ากับใครก็ไม่เคยได้อดีตรัฐมนตรีร่ายยาวเพราะอัดอั้นตันใจมานาน ร้อนถึงในเอหรือด e ็อเตอร์เอกสิทธ์ต้องห้ามทับคุณพ่อครับคุณหญิงอาครับผมขอร้องเธอนี่ในวัดนะครับยังไงๆงก็อายลูกศิษย์วัดบ้างเขาหันไปทางนายสมชายซึ่งกำลังจงกาแฟร้อนๆมาเลี้ยงแขกส่วนนายขุนทองหลับปุ๋ยไปนานแล้วองค์อายมันทำไมกะอีกแค่เด็กวัดคุณหญิงพูดผ่าน ในสมชายฟังแล้วก็ให้นึกปรงสังเวชพวกผู้ลากมากดีเขาช่างไม่มีการสงบสติอารมณ์กันเสบ้างเลยนึกจะพูดว่าใครที่ไหนเมื่อไหร่ก็ว่ากันตามอำเภอใจไม่มีบรรยะบรรยังหน้าอนาถนักนะรู้สึกโล่งใจเมื่อท่านพระครูปเปิดประตูออกมาคู่กรณีหยุดวิวาทกันโดยปริยายเมื่อท่านนั่งที่อาสนะแล้วด อ, อร์เอกสิทธิ์จึงกระซิบให้บิดา ทำความเคารพคนทั้งสามกราบท่านพระครูและคุณหญิงอ่อนอุสาก็ร้องไห้กระสิบ ก, กระสิบเจริญพรท่านรัฐมนตรีและคุณหญิงที่นับถือยิ่งอัตมาภาพในนามของคณะสงฆ์วัดป่ามะม่วงขอต้อนรับท่านรัฐมนตรีและคณะด้วยความเต็มใจท่านใช้คําพูดที่ทําให้คนฟังรู้สึกถูกใจรู้ว่าเขาชอบให้ยกย่องก็ต้องยกย่องเขา ท่านเป็นคนไม่ขวางโลกขณะเดียวกันก็ไม่ยอมไหลไปกับโลกเพราะชาวโลกนั้นมักไหลไปตามแรงของกิเลสตันหาส่วนท่านเป็นสมณะจะเป็นอย่างชาวโลกนั้นหาควรไม่คุณหญิงร้องไห้มีอะไรไม่สบายใจหรืออาตมาพอช่วยได้บ้างไหมน้ำเสียงที่เปลี่ยมไปด้วยเมตตานั้นทำให้คุณหญิงร้องไห้หนักขึ้นเธอพูดด้วยเสียงบนสะอื้นว่า ดิฉันมีทุกข์หนักค่ะท่านพระครูพอหมดอา น, นาจวาสนาก็ถูกคนเขาเหยียบย่ำพี่น้องครานตามกันมาแท้ๆก็ยังดูถูกดูแกลนลูกเต้าก็เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้ไม่แต่หาเรื่องทุกเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณหญิงพนานาทั้งน้ำหูน้ำตาอาดีตรัฐมนตรีรู้สึกคันปากยิบยิบเมื่อถูกน้องสาวพูดแกลครันจะโตอตอบออกไป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 ท่านพระครูนั่งฟังด้วยอาการสงบแต่ก่อนทีฉันไม่เชื่อว่าบาปกรรมนั้นมีจริงจึงหลงระเริงกับยศและอำนาจจนเป็นเหตุให้ก่อคำทำชั่วไว้มากในถ้าให้ประสบกับความทุกข์ดิฉันก็คงจะยังไม่เชื่อเขาพูดกันว่ากรรมสมัยนี้มันติดจรวดจึงให้ผลรวดเร็วโดยไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าท่านพระครูเชื่อหรือเปล่าคะว่า แต่ก่อนนี้ดิฉันร่ำรวยมากขนาดโต๊ะกินข้าวยังฝังมุกตอนนั้นคุณอัครเดชสามีฉันเขาเป็นรัฐมนตรีวันๆก็มีแต่คนเอาเงินมาให้เราสองคนก็รับไม่อั้นถ้าหน้าบ้านคุณอัครเดชรับหลังบ้านดิฉันเป็นคนรับรู้สึกว่าเงินทองไหลมาเทมาจนนับไม่หวาดไม่ไหวดิฉันก็ฟุ่มเฟือยฟุ่งเฟอเพราะเงินไดมามง่าย เสื้อผ้าแต่ละชิ้นที่ทดิฉันสวมใส่ก็ล้วนแต่ราคาแพงชุดหนึ่งหนึ่งราคากว่าเงินเดือนข้าราชการชั้นเอกซะอีกลูกๆ ก, ก็ขับรถเก๋งคนละคันและก็ฟุ้งเฟ้อตามพ่อแม่แต่พอคุณอัครเดชเป็นอมมาพลึกทำงานไม่ได้เราก็ขาดรายได้เพราะไม่มีใครเอาเงินเอาทองมาให้เหมือนแต่ก่อนดิฉันและลูกๆ ก, ก็อยู่ในสภาพจมไม่ลงทรัพย์สินเงินทองที่ได้มา ในทางมิชอบก็ร่อยหลอลงไปทุกวันพอคุณอักระเดชเสียชีวิตดิฉันก็ต้องช้ำใจหนักขึ้นเพราะลูกๆทะเลาะบอกแว้งแย่งจริงสมบัติกันต่อหน้าต่อ ต, อตาดิฉันตู้ฝังมุกโต๊ะฝังมุกเขาก็แย่งกันไปขนกันไปขายทอดตลาดไม่เกรงใจดิฉันผู้เป็นแม่คนเล่าไม่ได้บอกความจริงแกท่านพระครูว่าลูกๆเขาไม่เกรงใจเพราะ เขากลัวว่าแม่จะเอาเงินเอาทองไปบำเรอหนุ่มๆที่เป็นคู่นอนแล้วคุณหญิงไปทำอะไรให้ลูกๆเขาไม่เกรงใจหรือเปล่า คำถามของท่านเจ้าของกุฏิแทนใจดำคนที่เป็นคุณหญิงเธอกำลังคิดว่าจะตอบหรือไม่ตอบดีท่านพระครูรู้ว่าทำให้เธออึดอัดใจ จ, จึงพูดตัดบทว่าเอาละไม่ต้องตอบอาตมาก็ได้แล้วท่านรัฐมนตรีมีอะไรปรึกษากับอาตมาหรือเปล่าประโยคหลังท่านถามอดีตรัฐมนตรีเรื่องของผมก็คล้ายๆกับน้องสาวล่ะครับท่านพระครูแต่มีข้อดีข้อเสียต่างกันนิดหน่อย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 ท่านพระครูตอบทันทีว่าช่วยไม่ได้หรอกท่านอาตมาช่วยอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของกรรมท่านสะสมอกุศลกรรมไม่มากถึงคราวที่มันไม่ให้ผลท่านก็ต้องรับอย่างหลี่เลี่ยงไม่ได้ได้ฟังเช่นนั้นอดีตรัฐมนตรีวัยเจ็ดสิบเสดถึงกับนั่งกอดเขาร้องไห้คุณหญิงอ่อนอุตสาหยุดร้องไห้ไปแล้วก็มีอันต้องร้องอีกด็อร์เอกสิทธิ์เองก็ตาแดง เพราะสมเพศบุคคลทั้งสองหากความรู้สึกที่ว่านี่เป็นไปช่วยประเดี๋ยวประดาวเพราะเมื่อนึกถึงธุระของตนที่จะมาเรียนปรึกษาท่านพระครูแล้วเรื่องของคนอื่นก็เป็นอันหมดความหมายเขาถามท่านเจ้าของกุฏิไปว่าหลวงพ่อครับผมเรียนจบปริญญาเอกจากอเมริกาอยากจะใช้ความรู้พัฒนาประเทศผมจะมีโอกาสขึ้นเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าครับ คุณพ่อกรุยทางไว้ให้แล้วเขาปรึกษาและเรียกท่านพระครูว่าหลวงพ่อ